จากนั้นองค์ที่เป็นหัวหน้าที่เป็นอาวุโสกว่าเพื่อนกล่าวคำขึ้นว่าสร้างคำอาวุโสปวารมิดิเทนวาสุเตนวาปริสร้างกายวาวะดันตูมังอายัสมันโตอนุกรรมปังอุปาดายะปัจสันโตปฏิคริษามิในคำแปลนั้นถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็บอกว่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้าขอประทานต่อสงฆ์ถ้ า, าว่าสงฆ์เห็นข้าพเจ้า การกระทําของข้าพเจ้าด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีหรือลังเกียจทางจิตใจก็ดีขอท่านทั้งหลายจงว่ากล่าวข้าพเจ้ายินดีรับฟังในการว่ากล่าวตักเตือนเราด้วยเกล่าวถึงสามครั้งจากนั้นองค์ที่สองก็ประวรณาอีกสร้างคำพันเตปวารมีมิองค์แรกอาวุโสองค์ที่สองบอกพันเตไปว่าเป็นผู้อ่อนพรรษากว่าปวารมีมิดิเทนวาสตีนวาสงทั้งหลาย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 ความผิดของตัวเองเหมือนกับชีข้ขุมทรัพย์ให้ท่านว่างั้นนะให้ถือว่าคนนั้นชีข้ขุมทรัพย์ให้เราแต่ตรงกันข้ามสําหรับชาวบ้านหรือครวญญาติโยมบางทีตัวเองทําผิดมาแท้ๆมีคนกล่าวว่าเออท่านทําไม่ถูกนะอย่างงั้นบางทีโกรธให้เขาอันนี้แปลว่าไม่เหมือนหลักของพุทธศาสนาพุทธศาสนาพุทธเจ้ทาทว่าคนที่ชี้ความผิดให้เหมือนกับคนที่ชีข้ขุมทรัพย์ให้นี่แหละ อันนี้คือเป็นวันสําคัญในทางพุทธศาสนาว่าวันปวารณาปวารณาในสงปวารณาตั้งแต่องค์แรกจนถึงองค์สุดท้ายเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเอามาใช้ทางครวาตก็คนเราไม่ใช่ว่าจะมีความถูกต้องทุกคนไม่ใช่แต่ถูกทุกสิ่งทุกอย่างบางทีอาจจะมีความผิดพลาดด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาแต่ว่าไม่เจตนาก็เถอะ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 ลูกเต้าในครอบครัวถ้าหากว่าให้อภัยกันประวรณาซึ่งกันและกันสามีผิดก็พัญญาสามารถที่จะพูดได้ว่าคุณนะไม่ดีตรงนั้นตรงนี้ผิดตรงนั้นตรงนี้นะหรือพัญญาทาไม่ถูกต้องสามีก็พูดได้บอกว่าคุณนะทำอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เหมาะสมนะครอบครัวนั้นก็จะมีความร่มเย็นผาสุขเพราะการว่าก่าวตักเตือนซึ่งกันและกันผู้ที่ถูกว่าก่าวก็มองดูตัวเองว่าการกระทาอย่างนั้น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 โดยมากรถมันจะเลี้ยวลงถนนทางยางอ่อนนั่นอะ่ะเออมันจะเดินไม่ตรงว่างั้นเถอะจริงยางแตกข้างหนึ่งจะแล้วมันเดินไม่ได้เลยอันนี้ก็เหมือนกันครอบครัวนั้นพ่อเจ้าบ้านแม่เจ้าบ้านก็เหมือนกับล้อรถข้างหน้าสองลอ้อถ้าหากว่าล้อใดล้อหนึ่งมันแตกหรือว่าล้อใดล้อหนึ่งมันชำรุดหรือล้อใดล้อหนึ่งมันอ่อนมันไม่เสมอกันก็ทําให้รถคันนั้นเสียศูนย์ได้ง่ายๆเพราะฉะนั้น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 ปู่ย่าตายายของเราควรจะว่ากล่าวตักเตือนลูกหลานได้ปู่ย่าตายายของเราก็เหมือนกันถ้าหว่าทําไม่ถูกกับลูกหลานก็น่าจะบอกแต่ว่าการบอกก่าลพู้เท่านะบอกกล่าวพ่อแม่นะจะเหมือนพ่อแม่บอกกาวลูกไม่ได้แต่ลูกศิษย์จะบอกกาวอาจารย์จะบอกก่าวแบบตรงๆไม่ได้ผิดวินัยอีกแต่ถ้าว่าบอกก่าวบอกข้อการครับท่านอาจารย์ กับผมว่าท่านอาจารย์ทำอย่างงั้นมันจะเป็นยังไงหน้ากับผมมันจะถูกไหมกับผมอเพียงแถวนี้ก็จะสํานึกได้ว่าเออใช่เราทําผิดแล้วจุดนี้ไม่ใช่ว่าอาจารย์ทําอย่างนั้นไม่ได้นะผิดนะอันนี้เป็นน้ำบาดทุกกฎขาดความเคารพอันนี้ก็เหมือนกันพวกเราที่เป็นลูกเต่าเห ล, ล่าหลานจะไปว่ากล่าวผู้เฒ่าผู้แก่แบบหาความเคารพยำเกรงไม่ได้ก็ผิดเหมือนกันทําให้ผู้เฒ่าผู้แก่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 พัญยาอยู่บ้านเขาก็ทํำอาหารทําอาหารเป็นสองส่วนคือพัญญาเขาก็แบ่งกินส่วนหนึ่งเพราะเขาจะคอยสามีก็เสียเวลานานพอทําอาหารเสร็จแล้วก็กินก่อนแต่ส่วนหนึ่งเขาก็เอาไว้ให้สามีแต่นี้สามีไปเกี่ยวหญ้า ก, กลับมาไปเห็นพระประเจกท่านาพระปเจกก็จะมาโปรดชายตุกะตะคนนี้แหละเออพระประเจกพรนะเเจ้าน่ะท่านนั่งเข้านิโรธสมาบัติถึงเจ็ดวัน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 เป็นผู้มีศรัทธาเต็มเปี่ยมจะต้องติ้ทำบุญตอนนี้พ่อปเจกทั้งกรเดินนายทุกขตาคนนั้นก็ไปถึงบ้านกวัวจะถึงบ้านพ่อปเจก็เดินสวนออกมาก็เห็นว่าท่านได้อาหารหรือยังพ่อปเจก็เฉยไม่พูดขอท่านเปิดบาดให้กับผมรูสิครับผมพ่อปเจก็เปิดบาดให้ดูไม่มีอาหารเลยโอ้ทำงาน น, นี่มล น, นี่ม น, นี่มลไปที่บ้านกับผมจากนั้นพ่อปเจกก็เดินตามหลังไปตะแก่ก็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 ข้าพเจ้าเกิดในภพใดชาติใดอย่าให้ข้าพเจ้าอดอยากและก็ขอปรารถนาว่า <trabajo> สิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการแล้วอย่าให้ได้รู้อย่าให้ได้เห็นคว่าไม่มีให้ได้เห็นให้ได้มีทุกอย่างในเมื่อข้าพเจ้าเกิดในภพใดชาติใดไอ้ข้าวอันนี้คือคําอธิษฐานของทุกกตะว่างนันเถอะว่าต้องการแล้วไม่ให้มีเนี่ยอย่าให้ได้ยินเอ็ต้องมีต้องให้ได้ใช้ว่างันเถอะ แปลว่าเอารวบรักเลยว่างั้นเถอะแปลว่าปาถนาข้าพระเจ้าอยากได้รถเบนซ์ก็เบนซ์มาเลยว่างั้นเถอะลักษณะอย่างนั้นละ่ะแต่นี้พระปฏิเจรท่านก็นยืนดูอาการนั้นในสงทานของเขาด้วยความมุ่งมั่นท่านก็บอเอวังโหตุเอวังโหตุขอความปรารถนาของท่านจงสําเร็จทุกประการนะจากนั้นพระปฏิเจรก็เหาะไปก็นในวันนั้นละ่ะเทวดาอนุมทนาสาธุในบ้านของเศรษฐี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 เทวดาบอกว่าการทําบุญของทุกขตาเนี่ยไม่เหมือนกับท่านท่านทําบุญ ท, ท่านมีอยู่แล้วแต่ทุกขตาเนึ่งเขาเสียสละจริงๆเกือบกระทั่งชีวิตของเขานั่นะเขาเสียสละด้วยจิตใจจริงๆเพราะนั้นหน้าอนุโมทนาจากนั้นเศรษฐีก็เลยไปขอส่วนบุญส่วนกุศลจากทุกขตาทุกขตาบอกว่าโอ้ผมให้ไม่ได้และให้เงินหมื่นเงินแสนผมก็ให้ไม่ได้เพราะผมพอใจอย่างมากจะให้เป็นเงินล้านผมก็แบงให้ไม่ได้แล้วจะทํำยังไง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 อ่าเป็นสหายกันนั่นนะ่ะเป็นเศรษฐีทั้งคู่เลยในเมืองนั้นบางเงันเถอะพอต่อมาพบนิชาตินี้พระอนุรุทธะมาเกิดเป็นลูกผู้น้องของผู้ใดเจ้าเด้เนี่ยนั้นท่านเกิดขึ้นมานี่ไปเล่นมากลุกนะ่ะหลายครั้งต่อหลายหนไปเล่นเทเลใครแพ่กับกินขนมคนนั้นบางเงันนี่ะแต่นี้เขาขอกินขนมอนุรุทธะสองสามสี่ครั้งขนมในบ้านก็หมดทีนี่ ขนมในบ้านหมดบอกให้มหาดเล็กไปเอาขนมมาอีกตั้งกันมหาดเล็กไปบอกขนมหมดแล้วครับเอมาบอกให้อนุรุธะเป็นเด็กหนุ่มเด็กน้อยอายุสิบสาสบสี่ปีเอ๊มันขนมหมดมันเป็นยังไงขนมไม่มีครับนั่นละไม่มีเอามาดูสิมันเป็นยังไงขนมไม่มีนรือเปเพราะว่าคําว่าไม่มีไม่เคยได้ยินเลยวงั้นอจากนั้นมหาดเล็กก็เลยวิ่งไปบอกว่าคุณแม่เอาขนมไม่มีที่พราะลูกเจ้าบอกว่าต้องการขนมไม่มีเออ ถ้างั้นเดี๋ยวลูกชายจะรู้เองว่างั้นท่านเขเอาถาดมาใบหนึ่งแล้วก็เอาถาดอีกใบหนึ่งข้อมมาไปยกไปไปอันนี้แหละขนมไม่มีว่างั้นพอยกไปเท่านั้นแหะเทวดาทั้งหลายเห็นวันความปรารถนาของอนุรุทธาเนี่ยวะสิ่งไม่มีไม่ให้เห็นขอไม่ให้พบให้เห็นอีกคําว่าไม่มีเทวดาเอาขนมใส่เต็มเลยว่างั้นเถอะก่อนจะไปถึงพระอนุรุทธาเนี่ยเป็นเจ้าชายหนุ่มเปิดขึ้นมาโอ้เนี่ยหอมตลบไปหมดเลยว่างั้นเถอะ อ่อันนี้ก็เลยเอ๊ทําไมคุณแม่ยังไม่ทําขนมอย่างนี้ให้เรากินเอ่เรากินขนมอย่างอื่นมามันไม่อร่อยเหมือนอย่างนี้เลยว่างั้นเออขนมเทวดาเอามาให้ว่างั้นเถอะจากนั้นมาพอมาถึงบ้านของคุณแม่ทําไมไม่ทําขนมไม่มีให้ผมกินว่างั้นแม่ก็บอกว่าเอะเป็นอย่างนั้นเหรอถามมหาดเล็กจริงครับคุณแม่อาหารเต็มสวยงามมากว่างั้นเออลูกของเราเป็นผู้มีบุญ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 เทําตนเป็นคนดีในสังคมไม่ขายยาบ้าไม่ขายยาม마ไม่สูบคัญชายาฝิ่นไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันล้วนแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นอแต่ถ้าหากว่าเราไม่ทําอย่างนั้นไปนว่าเบียดเบียนสังคมทําบาปเพราะงั้นเถอะการสร้างบุญสร้างกุศลมีลหลายๆวิธีเหมือนกับเรามันนั่งอยู่ที่นี่นะ่ะไม่ใช่ว่าเราจะทำข้าราชการทั้งหมดเป็นพ่อค้าก็มีเป็นครูก็มีเป็นตํารวจก็มีแต่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 ให้ทานรอยค้างสู้รักษาศีลบริสุทธิ์ครั้งหนึ่งไม่ได้รักษาศีลบริสุทธิ์ร้อยครั้งสู้นั่งภาวนาครั้งหนึ่งไม่ได้แปลกเหมือนกันนะเสียสละให้ทานพอไหวแต่รักษาศีลเนี่ชื่อว่างงหงักเหงงหงั ก, ง ก, งกแข็งขึ้นมาแล้วยิ่งภาวนายิ่งยิ่งไม่เอางั้นเถอะเนี่ยวันนี้ได้พูดเรื่องคําปภาวณาออกพรรษาทั้งฝ่ายประสงค์และฝ่ายญาติโยมควรจะเอาไปใช้ ในกลุ่มสังคมในกลุ่มครอบครัวพี่น้องพ่อแม่ควรจะปรณนากันเพราะเห็นความผิดก็ตักเตือนกันนั่นแหละจะเป็นคนดีมีความสุขในสังคมแล้วก็อันดับสองก็คือวันนี้เป็นวันสําคัญในทางพุทธศาสนาที่พระเจ้าเสด็จไปโปรดพรมารดาท่านมองพมารดาของท่านไม่ใช่มองอย่างอื่นมองอย่างสุดสุดโงงสุดจนเสียสละทั้งสเดือนขึ้นโปรดพรมารดาคนเดียวบนชั้นรุจสิตจากนั้นท่านก็ลงมาจากสวรรค์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 สมาทานสินนะโมตัสสะภควะโตอรหะ